ทีนี้มาขึ้นปัญหาใหม่ในหน้า318ปัญหาว่ามุสาวาทะครุลหุภาวะปัญหาว่ามุสาวาตรับโทษแตกต่างกันพูดไม่จริงเหมือนกันแต่ว่าโทษแตกต่างกันพระเจ้ามิลินถามว่าพระคุณเจ้าหน้ากเกษตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็จความข้อนี้ไว้ว่าสัมปชานญามุสาวาเดปราชิโกโหติ แปลว่าย่อมเป็นปาราชิกในเพราะการกล่าวคำเท็จทั้งทั้งที่รู้นะรู้รู้แล้วรู้ว่ามันความจริงมันไม่ใช่แล้วพูดออกไปเนี่ยนะเป็นปาราชิกเหมือนนนะแปลว่าหนักมากและพระองค์ยังตรัสไว้อีกว่าสัมปจานมุสาวาเดและหุกังอาปติงอาปชติเอกัสสันติเกเดสนาวัตถุกังเมื่อมีการกล่าวคำเท็จทั้งทั้งที่รู้ก็ย่อมเป็นอาบัตเบา อันเป็นอาบัตที่ต้องแสดงเรื่องคือเปิดเผยในสำนักของพระิสูรูปใดรูปหนึ่งก็ได้อาบัตบางสิขาบทเนี่ยแสดงเฉพาะกลุ่มแสดงกับพระพิสูรูปใดรูปหนึ่งก็เป็นอันปลงตกหมายความว่าโกหกบางอย่างขาดจากความเป็นพระพิสูรเลยโกหกบางอย่างเดี๋ยวไปเปิดเผยกับพระพิสูรูปใดรูปหนึ่งก็เรียบร้อยแก้ปัญหาจบแล้วเนี่ยนะมันต่างกันยังไง พระคุณเจ้านาเกษตรในคําทั้งสองนั้นสองคำนี้มีอะไรเป็นข้อแตกต่างกันเล่าอะไรเนี่ยเป็นเหตุเล่าเพราะอะไรเพราะความเป็นภิกษุย่อมขาดไปเพราะการกล่าวคําเท็จอะไรเพราะเหตุใดยังมีอันเยียวยากันได้เพราะกล่าวคําเทศอะไรเพราะเหตุใดทําไมบางอย่างพูดแล้วคอขาดบางอย่างพูดแล้วก็อะไรนะเสียทรัพนี้นิดหน่อยเนี่ยนะมันก็นว่าต้องเสียค่าปรับเล็กน้อยบางอย่างพูดเสร็จแล้วคอขาดเลย พูดไม่จริงบางอย่างคอขาดพูดไม่จริงบางอย่างเสียค่าปรับเล็กน้อยเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้พระคุณเจ้านาเกษตถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าย่อมเป็นปราชิกในเพราะการกล่าวคําเท็จ ท, ท, ทั้งทั้งที่รู้ดังนี้จริงไซท่าอย่างนั้นคําที่ตรัสไว้ว่าเมื่อมีการกล่าวคําเท็จ ท, ท, ทั้งทั้งที่รู้อยู่ก็ต้องอาบัติเบาอันเป็นอาบัตที่ต้องแสดงเรื่องเปิดเผยในสํานักของพิสูุรูปใดรูปหนึ่งก็ได้ดังนี้ก็ต้องไม่ถูกต้อง ที่หนึ่งบอกหัวขาดประาชิกอีกที่หนึ่งบอกว่าเอาแสดงในสำนักพิสูรรูปใดรูปหนึ่งก็ได้มันขัดกันเองนะว่างันถ้าหากว่าพระตรรคตตรัสไปว่า เมื่อมีการกล่าวคำเทศทั้ ง, ท, งทั้งที่รู้ก็ย่อมต้องอาบัตเบาอันเป็นอาบัตที่ต้องแสดงเรื่องในสำนักของพิสูรรูปใดรูปหนึ่งก็ได้ดังนี้จริงไซถ้าอย่างนั้นคำที่ตรัสไว้ว่า ย, ย่อมเป็นตาราชิกในเพราะการกล่าวคำเทศ ท, ทั้งทั้งที่รู้ดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้องปัญหาแม้ข้อนี้ก็เป็นปัญหาสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านเพ่งคลี่คลายปัญหานั้นเถิดนะช่วยชี้แจงช่วยอธิบายด้วยว่ามัน มันต่างกันยังไงบอกว่าพูดบางอพูดไม่จริงบางอย่างปรราชิกเลยพูดไม่จริงบางอย่างก็โทษเบาๆแค่นั้นเองพระนาคเซณก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิตรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงภาเสร็จความข้อนี้ไว้ว่าย่อมเป็นประราชิกในเพราะการกล่าวคําเท็จทั้งทั้งที่รู้ดังนี้อจริงและตรัสไว้ว่าเมื่อมีการกล่าวเท็จทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, งที่รู้ก็ย่อมต้องอาบัติเบาซึ่งเป็นอาบัติที่ต้องแสดง เรื่องในสำนักของพิสูรรูปใดรูปหนึ่งก็ได้ดังนี้อ่ะจริงคือจริงเลยนะว่าบางอย่างก็ประราชิกพูดบางอย่างก็ประราชิกจริงบางอย่างก็ไม่เป็นประราชิกเนี่ยเป็นอาบาัตเบาๆเช่นเป็นอาบัตทุกฏเนี่ยนะก็แต่ว่าการกล่าวเทศทั้งๆ ท, ท, ที่รู้นั้น่ะจะเป็นอาบาัตหนักหรืออาบาัตเบาก็โดยเกี่ยวกับวัตถุเรื่องที่กล่าวถึง ขอถวายพระพรพระองค์จะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรอันนี้หมายความว่าเรื่องที่พูดถึงเนี่ยเป็นหลักมาพูดบางเรื่องแล้วขอขาดว่างั้นเด้พูดบางเรื่องแล้วประราชิกพูดบางเรื่องแล้วไม่เป็นประราชิกนะเพราะเรื่องที่พูดอ่ะเป็นสําคัญยกตัวอย่างว่าเช่นคนบางคนในโลกนี้ใช้มือทุบตีบุรุษคนหนึ่งพระองค์จะรับสั่งให้ลงโทษบุรุษคนที่ทุบตีเขาเนี่ยอย่างไรถ้าเด็กตีกันเนี่ยนะเด็กตีกันอีกฝ่ายหนึ่งซะปากบวมหมดเลยเนี่ยพระองค์จะทำยังไงว่างั้น พระเจ้ามิรินก็บอกว่าพระคุณเจ้าถ้าหากว่าบุรุษผู้นั้นไม่กล่าวขอโทษข้าพระเจ้าก็จะสั่งให้เจ้าพนักงานปรับเขาหนึ่งกะหาพณะนะปรับเลยร้อยหนึ่งอย่างนั้นนะโทษฐานไม่ขอโทษปรับเลยร้อยหนึ่งพนากเกษรก็บอกขอถวายพระพรมหาบพิษถ้าบุรุษคนเดียวกันนี่แหละใช้มือทุบพระองค์เล่าเพราะพระองค์ถูกทุบซะเองเลยเนะี่ยเขาจะได้รับการจัดการลงโทษอย่างไรนะ ถูกทุบที่เดียวกันซัด ส, ส, สปากบวมเหมือนกันเลยเนี่ยนะเอกเท่งบอกว่าปรับไปตั้งร้อยหนึ่งอีกเท่งนึ่ก็จะเพราะถ้าทุบพระองค์จะเสียค่าปรับเท่าไหร่พระกุณเจ้าข่าพระเจ้าจะสั่งให้ตัดมือเขาว่างหรือไม่ก็สั่งให้ตัดเท้าเลยหรือสั่งตัดให้ตัดตัวให้ขาดเป็นท่อนๆกระทั่งตัดศีรษะเอาไปซับเลยว่ากันหรือจะสั่งให้ริบบ้านเรือนแม้ทุกหลังจะสั่งให้ค่ า, าญาติทั้งสองฝ่ายตลอดจนเจชั่วตระกูล เ, เขาบอกว่าเออพูดอย่างเงี้ยจริงไหมบอกว่าจริงเนี่ยนะเมื่อเมื่อไม่นานมานี่แหละบุตรชายของผู้นำบางประเทศเนี่ยนะเขาเคยเคยเห็นเขาบทปลาหมึกไหมเอาคนเนี่ยไปบทแบบนั้นนะ่ะบทคล้ายๆปลาหมึกนะถูกลงโทษอย่างคล้ายๆแบบนี้เยอะมากเพราะว่าปกครองแบบใช้อำนาจเป็นหลักเนี่ยนะนั้นก็เป็นอย่างนี้จริงๆว่า เออเนี่ยถ้าไปผิดกับผู้นำแล้วมันจะมีโทษระดับไหนใช่ถ้าไปผิดกับคนกระจอกงอกง่อยด้วยกันก็เสียค่าปรับเล็กน้อยแต่ถ้าไปผิดกับท่านผู้นําคอขาดอยงั้นนะดีไม่ดีตายชั่วโคตรตายชั่วตระกูลด้วยว่างั้นพระนาเกษรก็ถามว่าขอถวายพระพรในการกระทําทั้งสองคราวนี้มีอะไรเป็นข้อที่แตกต่างกันมีอะไรเป็นเหตุเราเอาก็คนคนเดียวกันเนี่ยไปต่อยปากอีกคนหนึ่งกับไปต่อยปากพระราชาเนี่ยมันมันต่างกันตรงไหน เพราะเหตุใดทําไมใช้มือทุบตีอีกคนหนึ่งจึงได้รับโทษเบาบางเพียงถูกปรับกระหาปานเดียวเพราะเหตุใดเมื่อใช้มือเนี่ยทุบตีพระองค์จึงถูกตัดมือถูกตัดเท้าถูกตัดขาดเป็นท่อนๆจนกระทั่งถึงศีรษะถูกริบบ้านเรือนทุกหลังญาติทั้งสองฝ่ายก็ถูกฆ่าตลอดเจ็ดชั่วตระกูลพระเจ้าเมรินก็บอกว่าเพราะคนที่ถูกทุบตีอมันต่างกันเรียกว่าตีถูกตีผิดที่นะ เพราะนัน้นพระนาเกษบอกขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นการกล่าวเทศ ท, ท, ทั้งทั้งที่รู้นั้นน่ะจะเป็นอาบัติหนักเป็นอาบัติเบาก็โดยเกี่ยวกับวัตถุคือเรื่องที่ตัวพูดถึงอั น, น, นแล้วแต่เรื่องพูดเรื่องอะไรก็พูดบางเรื่องแล้วเป็นประราชิกเลยในอัตถกถาที่บายว่าย่อมเป็นประราชิกในเพราะการกล่าวคําเทศ ท, ท, ทั้งทั้งที่รู้ อันนี้เป็นการพูดแบบสรุปนะทัตตะย่างในภิคุปาติโมก็บอกว่าอันหนึ่งพิสูใดเนี่ยนะอวดอุตริมนุสธรรมอันเป็นความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถน้อมเข้ามาในตัวว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นนะอันผู้นั้นกล่าวว่าข้าพเจ้านี่กล่าวไม่จริงได้พูดพร่อยๆเป็นเทพเปล่าเว้นไว้แต่สําคัญว่าได้บรรลุพิสูนี้ก็เป็นปราชิกหมายว่าถ้าพูดอวดเมื่อไหร่แล้วคนฟังรู้เรื่องาราชิกเลย เรียกว่าอวดอะไรอวดอุตริมนุสธรรมก็มาแยกว่ามนุสธรรมคืออะไรอุตตริมนุสธรรมทำที่ยิ่งกว่ามนุษย์คืออะไรนะมนุสธรรมนั้นคือกุศลกรรมมาบทนะกุศลกรรมบท10ประการเรียกว่ามนุษยธรรมนะถ้าอยากชาติหน้าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือไม่วัดกันที่มนุษยธรรมมนุษยธรรมคือกุศลกรรมบท10ประการ มันก่อนมีโยมเข้ามาถามว่าเนี่ยชาติหน้าเขาอยากจะกลับมาเป็นมนุษย์อย่างน้อยเขาก็จะเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเขาจะทําอย่างไรเขาจะพูดอะไรเขาจะคิดอย่างไรเขาตั้งคําถามออกมาเขาบอกว่าคําตอบก็คือว่าถ้าหากว่าประพฤติก็ประพฤติให้กลายเป็นสุจริตประพฤติให้เป็นวจีสุจริตประพฤติให้เป็นมโนสุจริตรักษากุศลกรรมบุให้เรียบร้อยรักษาเจตนานะ รักษาเจตนาไว้ว่าจะไม่ฆ่ารักษาเจตนาเอาไว้ให้ดีว่าจะไม่รักรักษาเจตนาให้ดีว่าไม่ประพฤติผิดในกรรมรักษาเจตนาเพื่อไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจรรักษาเรื่องว่าอย่ากโกรธอย่าโลภเนีย่ยนะหมายว่าเจริญอนาพิชาคือความไม่โลภเจริญอัพยาบาศคือเจริญเมตตาแล้วก็เจริญก ร, รมสกตาสัมมาทิฏฐิ ทิจารณารู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วนะรู้ว่าการให้ทานมีผลการรักษาศีลมีผลการบูชามีผลการต้อนรับการเชื้อเชิญมีผลการทําผิดการปฏิบัติผิดกับบิดามารดามีโทษการปฏิบัติชอบกับบิดามารดามีผลอย่างี้นะก็คือเข้าใจในกรรมสกตารรู้ดีรู้ชั่วรู้เหตุแห่งความเจริญความเสื่อมเป็นต้นนั่นเอง สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ามนุษยธรรมเป็นคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ทั่วๆวไปเป็นธรรมของมนุษย์ส่วนธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะสิบประการมีฌานเป็นต้นถือว่าเป็นธรรมที่ยิ่งกว่ามนุษยธรรมเหล่านั้นยิ่งกว่ากุศลกรรมบทเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอุตตริมนุษยธรรม10บประการมีอะไรบ้างฌานวิโมกสมาธิสมาบัตญาณทัศนะมัคคภาวนา พละสัจจิกิริยาการละกิเลสได้ภาวะที่จิตปราศจากนิวรณ์ความยินดียิ่งในสุญยาคาร น, นะการอวดอุตรีมนุสธรรมโดยการกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถือว่าเป็นประราชิกเนนะอย่างยกตัวอย่างว่าอ้าวอวดว่าตัวเองเนี่ยมีปฐมฌานว่าตัวเองเนี่ยเข้าปฐมฌานได้อวดว่าตัวเองเข้าทุติยฌานได้เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เป็นประราชิกเนี่ยนะถ้าไม่มีอยู่จริงประสงค์จะหลอกลวงประสงค์จับ โอ้อวดงนะั้นหรืออ้างว่าตัวเองนี่มีสุญญาตาวิโมกหมายถึงอริยมรคนะอ ร, อริยอริยมรคที่มาจากสุญญาตาวิโมกตัวเองมีมรคมาจากอนิมิตามปปตาวิโมกอปปนิหิตตวิโมกหรือว่าตัวเองนี่มีสมาธิพละสมาธิมรสมาธิผลสมาธิประเภทสุญญาตาสมาธิอนิมิตตาสมาธิอปปนิหิตตสมาธิแต่ต้องอวดระดับโลกุตระคือคุณธรรมคือชาญอภิญญามรผลอันนะัการอวดวัตถุเราเนี่ยเป็น ปราชิกแต่ว่าจะมาในชื่อฌานมีโมกสมาธิสมาบัติยานทัศนมัคคภวนาการทำผลให้แจ้งการละกิเลสจิตปราศจากนิวรณหรือยินดีในเรือนว่างด้วยฌานทั้งหลายเป็นต้นก็ปฐมฌานเน้นพิเศษคือปราศจากนิวรณด้วยปฐมฌานเป็นต้นนนะ เพามหากุสลทั่วทไปนี่วอนก็ไม่กลุ้มรุมอยู่แล้วแต่ว่ามหมายเขาว่าข่มนิ่วอนด้วยประทมมช า, านาก็อุปจาระก็ยังไม่เป็นยังไม่เป็นปราชิ ก, กเนี่ยนะก็คือเงื่อนไขก็คือฌานอภินญามักผลการละกิเลสได้เนี่ยนะนะอันนี้เป็นเป็นลักษณะที่อวดแล้วเป็นปราชิกเนี่ยนะพนะันธาไปอวดในสิ่งเหล่านี้ที่ไม่มีอยู่จริงอันนี้เป็นปราชิกแน่นอน นะถ้ามีอยู่จริงก็เป็นอาบัติปาจิตีถ้าไม่มีอยู่จริงก็เป็นปราชิกเนี่ยนะส่วนคําว่าพูดมูสาวาตแต่เป็นอาบัตเบาเนี่ยนะเป็นอาบัตเบาเช่นว่ามูสาวาตนี่มีเป็นอาบัตได้5อย่างนะพูดไม่จริงเนี่ยสามารถเป็นอาบัติได้5อย่างคือมูสาวาทบางอย่างเป็นปราชิกเลย อวดบางอย่างเป็นประราชิกเช่นะอวดว่าตัวเองได้ชาญที่หนึ่งที่2ที่สมที่4หรืออวดว่าตัวเองได้สมาบัติหรืออวดได้ว่าอวดว่าตัวเองมีมรรคมีผลอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออวดว่าตัวเองเนี่ยมีอภินยาพวกนี้เป็นอวดอย่างเงี้ยเป็นประราชิกคําว่าอวดแปลว่ามันไม่มีอยู่จริงนะโชวในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเหมือนกันเถอะถ้ามุสาวาตบางอย่างเป็นสังขาริเศษก็เรียกว่าพูดไม่จริงอะ่ะแต่ว่าพูดเฉียว เฉียวเียวประราชิกเนี่ยเลยเป็นอาบัติระดับสังขารที่ระดับสังขารทิเศตเออขออภัยมุสาวาทบางอย่างเป็นสังขารทิเศตเนี่ยหมายคำว่าภิกษุที่ไปประจานภิกษุอื่นว่าเป็นประราชิกทั้งๆ้งที่รู้นะว่าเขาไม่เป็นประราชิกแต่ตัวเองต้องการจะทําลายเขาว่าคนเนี้ยภิกษุรูปนี้เป็นประราชิกเรียกว่าโจดภิกษุอื่นด้วยอาบัติมีโทษถึงประราชิกทั้งทั้ที่รู้อยู่แล้วว่าท่านไม่เป็นแต่ตัวเองประสงค์จะ ทำลายภิกษุรูปนั้นอ้างว่าท่านรูปนั้นเป็นประราชิกเพื่อประทุสล้ายเขาเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นสังขารทิเศตส่วนมูสาวาตบางอย่างเป็นอบัติทุลใจก็คือพูดพูดเฉียวเฉียวประราชิกนั่นแหละพูดเฉี่ยวเฉียวว่าเอาองค์ที่อยู่กุตินั้นนะได้ฌานซึ่งไอ้ตัวนั่นแหละอยู่กุตินั้นอ่ะพูดเฉียวเฉียวแบบนี้นะไม่ไม่เป็นไม่เป็นประราชิกแต่ก็น้องๆประราชิกนั่นแหละแต่ก็แสดงคืนได้ ส่วนมูสาวาทบางอย่างเป็นปาจิตติเช่นเห็นบอกว่าไม่เห็นไม่เห็นบอกว่าเห็นได้ยินบอกไม่ได้ยินไม่ได้ยินบอกได้ยินอย่างเงี้นะรู้บอกไม่รู้รู้ก็บอกว่าไม่รู้เป็นต้นอันนี้เป็นอบัติปาจิตติส่วนมูสาวาฏ ท, ที่เป็นอบัติทุกกฎ ก, ก็เช่นว่าในในในคำสวดปาติโมกเนี่ยนะในคําสวดปาติโมกนั้นอะ่ะถ้าบอกว่าพระภิกษุที่นั่งฟังอยู่นั้นอ่ะถ้ามีอบัตติดตัวแล้วนิ่งเป็นอบัติ ถ้าตัวเองมีอบัติติดตัวก็แกล้งเฉยทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเป็นอบัติเพิ่มอีกตัวหนึ่งเรียกว่าสัมปชานมุสาวาททุกกฎอย่า ง, งนะี้นะเขาก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับพระวินยัยในนิทานอุเทศจะบอกเลยว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเนี่ยนะเป็นเป็นอบัตแล้วไม่เปิดเผยอบัติที่มีอยู่สัมปชานมุสาวาททุกกฎจะมีแค่เธอนะนะก็เป็นหมายว่าทําตัวนิ่งเนี่ยถือว่าโกหกนะ เพราะคำว่านิ่งของคุณแปลว่าคุณบริสุทธิ์ถ้าคุณไม่บริสุทธิ์และคุณนิ่งคุณหลอกลวงแล้วนะเป็นอาบัตินะครเป็นอาบัติทุกกฎแต่เป็นอาบัติที่มีอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะนั้นคําว่ามุสาวาทบางอย่างเป็นประราชิกมุสาวาทบางอย่างเป็นสังขาธิเศสมุสาวาทบางอย่างเป็นทุจริตมุสาวาทบางอย่างเป็นปาจิตติมุสาวาทบางอย่างเป็นอาบัตทุกกฎเนี่ยนะตามแล้วแต่ว่าเรื่องที่ตัวเองมุสานิมมุสาเรื่องอะไร ฉันใดก็เหมือนกับว่าไปตีอ่ะนะเหมือนกับว่าถ้าไปตีคนทั่วไปก็เสียค่าปรับเท่านี้ถ้าไปตีพระราชาเข้าล่ะก็ขอขาดเนี่ยนะดีไม่ดีย่าหัวมาหัวมาขาดด้วยซ้ำไปเนี่ยนะถ้ายิ่งสมัยระบบปกครองแบบบุราณเนี่ยนะ